มีใจเผื่อแผ่กัมไดที่เป็นไปเพื่อความกรรณาต่อผู้อื่นช่วยให้ทุเลาทุกข์ช่วยให้ความสุขช่วยให้ความสบายช่วยให้ความปลอดภัยกับมหาชนกัมนั้นย่อมขยายขอบเขตอาณาจักรเงินทองได้ทั้งสิน้นคนส่วนใหญ่ใช้ชีวิตตามสถานการณ์บางชาติรวมแล้วให้ฐานมากแต่รักษาสีน้อย